ฟังทำกันว่าเพื่อให้เป็นสิ่งรา้อมเป็นสิ่งข้อมูลในการปฏิบัติจะได้ยินได้ฟังการปฏิบัติธรรมในก่คือมาเปิดตัว เปิดกายเปิดใจนีสติมันคว่ำอยู่เปิดออกมามันปิดมันคว่ำอยู่หายขึ้นมันปิดอยู่เปิดออกมานีสติดูมันมันมีอะไรที่ไม่ถูกต้องอะไเป็นธรรมปฏิบัติธรรมเรคือพยายาม เราหลับความจริงตัดสินใจทุวความจริงเกี่ยวกับวายเกี่ยวกับใจจริงไหนที่มันเกิดขึ้นไม่เป็นความจริงเป็นทุกข์เป็นโทษแช่ขมาช่วยกมาช่วยใจเราให้มันปลอภัยจากทุกข์จากโทษทต่าง แต่ถ้ามีสติจะได้เห็นทุกเรื่องทุกราวที่มันเกิดขึ้นกับป่ากับใจเมื่อเกิดขึ้นแล้วทาได้เห็นแล้วเราเห็นชีที่มันเกิดขึ้นแล้วตัวตนจะเป็นตัวชี้วัดถิดถูกอย่างไรไม่ใช่ความคิดมันพบเขิน เราใชิดเห็นมาแตนความลู้เห็นพบเห็นจิต ท, ที่มันเกิดกับกากับใจเนี่ยถามความเทดความจริงเราจึงมามีสติดูคอยเป็นหลักไว้ก่อนหรือว่ากรรมฐาน กรรมาฐานคือการกระทำที่มีที่ตั้งอย่างมั่นคงสติก็ไม่ตั้งไว้ในกายอะไรที่มัเกิดกับกายก็เห็นจะเมื่อเห็นเราก็จะได้รู้อะไรที่มเกิดกับจิตใจก็จะได้เห็นเห็นเราจะได้รู้วงรู้สึกตัวมันจะเป็นถัวที่วัดบอกผิดบอกถูกในสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจ โดยเปลี่ยนไลายเป็นดีหรือว่าปฏิบัติมีเยอะแยะงานของเราที่จะต้องเปลี่ยน้มาเป็นความถูกต้องเกี่ยวกับความกับใจนี่ร่ายไม่ได้กับความถูกต้องมามากเหมืกันจุข ก, ก็เป็นสุขทุกข์ก็เป็นทุกข์หลงก็เป็นหลง ใจก็มันรับความถูกต้องมานอนโกรธก็มันโกรธดีใจเสียใจพอใจไม่พอใจมันไปไกลแล้วอะไรเกิดกับใจก็พอใจไว้พอใจไม่ให้อยู่นิ่งไม่ปกติเคลื่อนไหวผูผูแพบแผลถ้ามีสติจะได้รู้โ่้มีสติที่มัน สิ่งที่มันเกิดกับกากับใจนี่สติรู้สึกตัวอยู่กับความมัธยันก็ไม่ได้ไปแฉะด้วยความคิดกลับมารู้จึกตัวก็คือแฉะแล้วคือมารู้จึกตัวอะไรที่มันไกิกับกากับใจก็กลับมารู้จึกตัวนี่คือการปฏิบัติดาอะไรเกิกับกายใจเป็นไปตามที่บรรดาการเกิดขึ้นพอใจก่อ ไม่พอใจกอนั่นไม่ใช่ปฏิบัติปล่อย ใ, ใจพอใจไม่พอใจปล่อยให้กายเปิดกเปิทุกข์ก็จะเหลือต้นหาปลุกแ่งเลื่อยไปมันก็ไม่ได้ใช่ปฏิบัติเราจึงมาตั้งกระบวนการกำลังคนช่วยตัวเองช่วยกายช่วยใจแต่ถ้ามีสติรู้เป็นหลัก มันจะมีอำนาจมีสิทธิที่วัดความเท็จความจริงได้มาจะตื่นถ้ามีสติมันจะตื่นสี่งที่ไม่ถูกต้องมาจะเห็นสิ่ที่ไม่ถูกต้องถ้ามีสติเห็นแล้วไม่ได้ปล่อยทิ้งจะแก้ไขสติจะเป็นตัวแก้ไขกลับมารู้ถึงตัว กลายเป็นความรู้สึกตัวไปอะไรที่เกิดกับกายกับใจขึ้นมากล้ายเป็นความรู้สึกตัวกล้ายเป็นความรู้สึกตัวเพราะมีกรรมฐานเป็นที่ตั้งอะไรอะไรที่บังเกิดกับกายกับใจกับมารู้สึกตัวกับมารู้สึกตัวอย่างนี้ดวงหนึ่งวันหนึ่ง สองวันสามวันแล้วมาจะเกิดอะไรขึ้นตามมาทำเหยียงนี่นั่นก็เป็นงานเป็นการงานของกายของใจรู้สึกตัวหรืองานกายงานใจอะไระมเกิดขึ้นมารู้สึกตัวนี่คือทํางานแล้วช่วยกายช่วยใจแล้วปฏิบัติทําแล้วปฏิบัติตามทำแล้ว ไม่ปฏิไม่ใช่ปฏิบัติตามธรรมนี่จ่ว่าปฏิบัติธรรมมันหัดได้ฉวนได้อย่างนี้เมื่อมันเห็นอยู่นี่ทำอยู่นี่มันจะตื่นเมื่อมันตื่นรู้ตื่นขึ้นมาแล้วก็มีอำนาจก็ชำนาญมากขึ้น เคยสอนกายเคยสอนใจให้รู้จักตัวต่อไปต่อไปกายจะสอนมันเองใจจะสอนมันเองหรือช่วยตัวมันเองเดี๋ยววันนี้มันเป็นต้นข้ามรันต้นอ่อนอยู่สติมันเป็นต้นอ่อนไปนในกายสติมันเป็นต้นอน่อนไปในจิตใจอันนี้อืนอ่นไว้อยู่แทนะมีพุ่งมียญ้ า, ม, ามีคามีพืช คุมคอบคุมอยู่เหมือนเราปลูกต้นไม้ปลูกเป็นไม้ก็ต้องรักษาปลูกต้นข้าวปลูกเั็นไม้ก็ต้องรักษาสติเหมือนกับโกธิ์ที่ต้นก้าเล็กที่ปลูกเปนในการในใจมีกรรมฐานเป็นที่รักษากลับมารู้จักตัวกลับมารู้จักตัวคือรักษา รักษาสติให้งอกให้งามแต่เราเห็นว่ามันอะไรที่ไม่ใช่สติจะได้เห็นก็จะไม่ได้ปล่อยทิ้งนี่ไม่ใช่ต้นเข้าวเป็นต้นย่อก็จะได้เปลี่ยนมาเป็นตัวปฏิบัติในการรักษาเมื่อมันแก่ก้าเติบโตขึ้นมามจะจะช่วยมันเอง นั้นเราปวกป่าที่สุกโตนี่แต่ก่อนก็รักษาปู๋ยใหมโต้นก้านมันเล็กอดาย่าให้มันบ้างให้หน้ามันบ้างต่อไปเมื่อมันโตขึ้นมากับมันก็ช่วยตัวเองแม่จิงก้านมันมากก็ฉลัดทิ้งเองมันขึ้นไปสูงขึ้นไปฉงเง อันใดที่ไม่จำเป็นมาสลัดออกมันเหลือไว้แต่สิ่งที่จําเป็นเพื่อใช้มันแม่น่าเรื่องหน้าผลนันก็ปรับตัวเป็นมันช่วยจำเเองได้ร้อยใจของเราเนี่ยถ้าสอนมันเบื้องต้นเรามาจะช่วยตัวเองเกินเช่นุนบโบุรี ติดบุหรีติดเล่าติดเคยกินได้กิเลสตัณหาที่ปุ่งแต่งทั้งกายทั้งใจไม่เป็นธรรมต่อการลบเป็นพละจนเกิดจึดมั่นในอาการต่างๆเว็นตัวเป็นตนทําตามมัน่นขอมาปฏิบัติแล้วาจะช่วยตัวมันเองตื่นอะไรตื่นความคิดที่ไม่ตั้งใจ นี่สติเจ้ก็้ตื่นความคิดแต่ถ้าสติไม่เจ้ก็้าจะไปตามความคิดทั้งคิดจะพาไปทำให้เกิดอะไรต่างๆเกิดจากความคิดมากมายก็สนใจเรื่องความคิดสติมันพุ่งไปอยู่ที่ความคิดถ้ามีสติสิ่งที่มัน เหนียวแน่นคือความคิดจนกาย ก, ก็เห็นวดบางทีอาจจะจบไปแล้วแต่ตัวคิดเนี่ยหมือนเกิดขึ้นมาเรื่อยๆไม่มีโอกาสไม่มีการเวลาอันทางกายก็ตทางตาก็เหมือนทักเป็นขาว งนหูก็เป็นคร่องเป็นข่าวจมูกเลื่นกายก็เป็นคร่องเป็นข่าวแต่ว่าใจิตใจนี่มันเกิดขึ้นหลายอย่างไม่มีการไม่มีเวลามันคิดได้มันเป็นอะไรได้จดิตมันจะสนุกดีตื่นพวงชิดนียิ่งกว่าตื่นเสียงผู้เสียงแล้วเบิดเฉียงฝ้าร้อง หยาบที่สดความชิดหนึ่หวันไหเพราะความคิดพมอมันตื่นความชิดเตือนความชิดมันก็รู้สึกตัวขณะที่มันตื่นที่มันคิดขึ้นมามันตื่นมันเกลียดมันน่ามันหน้ามั น, น, ม, นมันเปือเป้อน ม, มือมนเปิดเปื้อนเมื่อเหมือนเปิดเปื้อนประความคิดเนี่ยมันจะไม่ยอมไม่กี่โรอบถ้าตื่นจริงๆน่ะเห็นความคิดเนี่ยนี่เราว่ามงเพลิงทางกิตดพระพุทธเจ้าตัดสลู่ทางกิตคือลักษณะแบบนี้เป็นพุทธะจนแบบนี้ความคิดเหมือนเครื่องเปนเรื่องหยาบคลาย น่ารังเกียจมากคิด ท, ที่ไมไ่ตั้งใจนะไม่ใช่ตั้งใจคิดนะอวิชานะไม่ใช่วิชานะวิชาคือตั้งใจคิดที่มีการตนงานแต่อวิชาไม่ไตั้งใจมันคุ้มเครือเกิจากความคิดเป็นอาวิชา เกิดจากความคิดก็เป็นวิชาเปลี่ยนวิชาเป็นอวิเปลี่ยนอวิชาเป็นวิชาความคิดจะไม่ตั้งใจเป็นตัวสังขารมันปรุงขึ้นมาเองสติที่เห็นเปลี่ยคิดที่ไม่ตั้งใจนั่นเป็นวิสังขารมันก็เปลี่ยนไปเองสอมผัดกับสังขารกับวิสังขาร สัมผัสกับวิชากับวิชาเหมือนกับเดินเข้าปงเข้าป่ า, าวิชาเหมือนกับเดินเข้าปงเข้าป่าวิชาเหมือนกับเดินตามทางก็เกิดการปฏิบัติขึ้นตรงนี้ าอาจจะประกาศตรงนี้อาจจะหลุดพ้นตรงนี้เหมือนหลวงูเทียนเตือนความคิดเหมือนคนมาพักหลั ง, งความตื่นมันแก่ก็ที่บอกความคิดมันละเอียดไม่ใช่เลยเอียดที่สุดเตือนความคิดเหมือนกับมันเกิดตรงกันข้าม ากาศทีฉลภาพตรงนี้ได้ต่อไปนี้คําว่าสุขทุกข์เกิดจากความคิดจะไม่มีถ้ามันเตืึนจริงๆนะควอมสุขความทุกข์ที่เกิดจากความคิดอะไรที่มัเกิดจากความคิดหยุดกันหมดเหมือนกับตัดต้นมันนะปลายมันก็ชนตัดเถาวัลมันคุมต้นไม้สูง ทำไมต้นไม้ไม่หายใจไม่ได้ไม่รับอากาศถ้าเราจะไปตัดต้นปลายถึงปลายต้นไม้มันก็สูงมันตัดไม่ได้ก็ตัดต้นมันอยู่พื้นดินเนี่ยมันก็ยุบมันก็เหี่ยวแห้งไปเลยมันเหี่ยวแห้งหลอยอย่างอะไรที่มันเกิดจากความยึดเหี่ยวแห้งร่วงลอยหลายหลายอย่างขึ้นมา มันก็ดูมันเหี่ยวแห้งดูมันปาลาชัยพอ ป, ประกาศออมาว่าเอออันควงสุขความทุกข์เกิจก ด, จก ด, ก ด, กดจากความคิดเฉลยชนะเกิดจากความคิดโกรธโลภหลงเกิดจากความคิดเหนสุขเปนทุกขเกิดจากความคิดมากมายเหี่ยวแห้งร่วงโรยลงตรงนี้มันเหมือนกับไม่ชัยช น, นะปาวะจิต ก, ก็เปลี่ยนแปลง่างตร ง, งนี้ อาจจะเป็นบรรลุคุณธรรมชั้นใดชั้นหนึ่งได้เห็นความเท็ความจริงชัดเจนตามในตามปัจจัยแล้วก็ถือว่ามีผลงานบ้างเกี่ยวกับารปฏิบัติเราเห็นความเท็ความจริงที่มาเกิดกับปากกับใจเราแก้ไขเป็นความเป็นธรรมขึ้นมาปฏิบัติตามธรรมขึ้นมา ซองสิ่งที่ไม่ได้การจะให้เป็นธรรมขึ้นมาเกือบจะหมดมาดสิเปอร์เซนต์หลอกถ้าเห็นความคิดจริงๆมีสตเห็นความคิดที่ไม่ได้ตั้งใจเหมือนทำลายอาวิชชาทำลายส ม, มุทยัยที่เป็นเหตุ นี่สติเพื่อยนี้งานของสติเป็นอย่างนี้ต่อไปมัจะดูแลตัวมันเองอ่านสอนแต่เบื้องต้นต่อไปจิตจะสอนจิตการจสอนการเช่นสุบุรีสุบุรีที่เมื่อแต่ก่อนก่อนแต่หัดมันก็ติดว่าโอ้ยฉุบโอ้ยฉบมันก็ติดเพราะติดมันก็อยากเพราะหยาบเพราะฉุบเพราะฉูบก็ติดก็ติดเพราะหยาก เป็นอย่างนั้นโลกรสของโลกจะไปห้ามไให้มันอยากไม่ได้เมื่อโศกก็ติดก็เมื่อติดก็อยากเมื่ออยากก็โศกเมื่อโศกก็ติดมันเป็นวงกลมตัดวงกลมออกไปไรคือตัวเหตุคือกรรมเป็นเหตุสมุทัยเป็นเหตุคือกรรมนะ่ะ อันนี้พ่อมันเปิดไปแล้วมันเห็นเทดความเท็ความจริงแล้วพ่ะไม่สูบมันก็ไม่อยากพ่อไม่อยากก็ไม่สูบเพราะไม่สูบมันก็ไม่อยากพ่อไม่สูบมันก็ไม่ติดเพราะไม่ติดมันก็ไม่อยากพ่อไม่อยากก็ไม่สูบมันก็เป็นไปเองกายก็ช่วยการเองมันจะเอาไม่ได้ใจจะช่วยใจเองมันจะอรับไมได้สิ่งที่ไม่เป็นธรรมไม่การตัดฉิน ตัวเองด้วยความมันธรรมเอาทำเป็นเครื่องตัดสินถูกต้องทุกๆเรื่องที่มันเกิดกับนปากกับใจเรานี่ก็ได้ควมเปนธรรมเกิดขึ้นมาตามกำลังของการปฏิบัติงานก็บ่งบอกผว่าเราได้ เ, เกิดความเพียรเกิดจดทานในการกระทำแบบนี้ขึ้นมามีผลขึ้นมาบ้าง จากการการทำแล้วทําอะไรก็แล้วว่างความหลงก็เห็นแล้วความทุกข์ก็เห็นแล้วความโกรธก็เห็นแล้วเห็นแล้วความลู้เห็นแล้วผ่านมาแล้วมันก็ดูข้างหลังแล้วมันก็ไม่ยอมถอยทำพาไประเบนี้ ทำคุ้มของรักษามากมายมีศีลมีสมาธิมีปัญญาจุนมาช่วยสมาธิมาช่วยปัญญามาช่วยไม่ให้หลงไม่ทุกข์ไม่มีโทษเมันท่วมคุ้มครองผู้รักษาผู้พฤิทามอยู่เสมอทำย่อมรักษาพุทธามอยู่สนิทผู้พฤิทามย่อมไม่มีปัญหาอะไร มันก็จบเป็นชืิอของเรานี่เพราะมันเห็นถวนเทศขวจริงมันก็ต่างการสัมผัสได้ด้วยการปฏิบัติมีชติมันเป็นตัวที่สัมผัสเปรียบเทียบกับสิ่งที่มันเกิดกับการกับก า, ายถ้ามีชตินะ มือนกับผ้าขาวสะอาดคนมีสติเหมือนกับผ้าขาวสะอาดบริสุทธิ์ดีที่มาเปื้อนมันมือนเชิงโจกรโปกงไม่ใช่สติลู้จักตัวเหมือนกับชักออกมันก็สกอหลงที่ใดรู้ทีนั้นความหลงก็สะอาออกโจกโป่งควงทุกที่ใดรู้ที่นั้นโ ก, ก, กรธ ท, ที่ใดรู้ทีนั้นแล้วก็เหมือนกับชักผ้ามันสะอาด ก็ไม่ยอมไม่ยอมให้มาเกิดเพื่อนทังกายทั้งใจแต่ก่อนเราไม่รู้ความโกรธนอนอยู่กับเราข้ามวันข้ามคืนความทุกข์นอนอยู่กับเราข้ามวันข้ามคืนม า, มาใช้จ่ายใช้ใจ่ายของเราไม่หวั่นไหวผูู้้แพร่แพร่อยู่เสมอแบบนี้มันปกติ ปกติเป็นบ้านของชีวิตไม่ฟูมิใบเหมือนเมื่อก่อนก็มีความสงบในสันติในความสงบกับชีวิตของตัวเองต่างเก่าพ้นภาวะเดิมๆมันก็เป็นอย่างนี้ปฏิบัติธรรมไม่ใช่มาทำเป็นพิธีว่าจะเข้าไปถึงจริงๆนะ นี่กายก็มีสติปายนกาจริงๆวิธีใดที่จะมีสติภายนกายอยู่เป็นประจำกรรมฐานมีทุกรูปแบบในบระพาต่างๆจะมารู้จากตัวได้มากมายในกายเราเน่การยกมือสร้างจังหวะสืบสีจังหวะทุกวินาทีนี่คือรูปตึกตัวอยู่เป็นประจำเดินจงกรมแต่ละก้ารูุจากตัว หายใจเข้าหายจบ ร, รู้สึกตัวมองหน้ามองหลังข้างซ้ายข้าง ข, าง ข, างขางวารู้สึกตัวเวลามาันศีรษะก็รู้สึกตัวตอนนี้แล้ววมีสติปายในกายได้มีโอกาสสอนกายสอนใจที่มันไม่ถูกต้องมากมายวันหนึ่งชั่วโมงหนึ่ง โดยความเป็วมลู่ชั่วโมงหนึ่งมากขึ้นมากขึ้นสิบสี่จังหวะแต่ละวินาทีสิบสี่ลู่ไปแล้วลู่ทุกวินาทีสิบสี่ลู่ส่ใจที่ยกมือให้มันลู่มันใช่คิดลู่เอาในการสัมผัสจรรมฐานาเป็นการสัมผัสเป็นปฏิบัติไม่ใช่มาเรียนลู่ปฏิบัติลงไปให้ลู่จิตตัวอยู่ที่กาย ทุกคนก็ทำได้ไม่มีใครทำมาได้ควมรู้สึกตัวไม่เกี่ยวกับเพศไหวรัดิที่กายหนุ่มแก่พื่อเท่าตาบอดหูหนวกคือพี่คนไม่การหายใจได้เดียก็เชื่อว่าใช่ได้จึงพอดดวกที่สุดการปฏิบัติธรรมอย่าเอาอะไรมาอ้างเสริมรู้สึกตัวมีกายมีใจนี่แหละเป็น ที่ปูกของขวงรู้สึกตัวเราอยู่ไหนกายก็อยู่นั่นใจก็อยู่หน้าหวังว่าจะมันรู่ด้วยกันรู้สึกตัวได้ใช้ทุกเวลาจนกว่าจะมาสติเป็นเจ้าของกายเป็นเจ้าของใจคือทํารักษาแล้วกันถ้าสติเป็นเจ้าของกายของใจแล้วมันก็ปลอดภยัยไม่มีภยัย มันก็ต่างกั ged, นนะเวลามันหลงเห็นมันหลงไม่เป็นผู้หลงนี่คือสติเวลามันทุกข์ไม่เป i̇şte. ็นผู้ทุกข์ค้นจาความทุกข์เปอสติเวลามันเจ็บเห็นมันเจ็บไม่เป็นผู้เจ็บคือสติเวลามันเจอบไม่เป็นผู้เจอบเห็นมันเจอบค้นจากความเจอบเป็นสติเวลามันตายเห็หนมันตายค้นจากความตายคือสติ กลายเป็นชาญเป็นมักเป็นผลไปโน่นตราจมนานเป็นศาสตร์เป็นฉินขึ้นมาก็อยู่เหนือโลกได้โลกที่มันอยู่กับกายกับใจอยู่เหนือมันได้จริงๆถ้าเราได้ทาอย่นี้แล้วก็เห็นไม่เป็นไม่เป็นไปกับสิ่งที่เกิดกับตากับใจเห็นหมดทุกอย่างไม่เป็นอลไรกับอะไรที่มันเกิดกับตากับจใจ คลหนูหน่วโลกเป็นสดยอดของชีวิตที่จะหมายปลายทางที่จะลูกได้กายได้ลูกใน้นา ม, มามาใช้ให้เกิดความสำเร็จถ้าเราไม่ใชิมันก็เกิดเก่บเจะบตายลูกนี่นามนี่เป็นทุกข์ก็มากง่ายวงพาราตากล่ากของลักของชอบใจก็เป็นทุกข์ ผมไม่สบายขายความไม่สบายใจก็เป็นทุกข์ปาฏิหาริย์สิ่งใดมาได้สิ่นั่นนั่นก็เป็นทุกข์เราไมีความทุกข์อย่างอ๋อแล้วมีความทุกข์เป็นเบอร์นหน้าแล้วจะนอนหลับไหลยอย่างไงตื่นขึ้นมามาดูมันสิอะไรที่มันทุกข์เกิดกับกายมากมายหายใจเข้าหายใจออกก็เป็นทุกข์ถ้าไม่หายใจมันเป็นทุกข์ ต้งกินต้องถ่ายถ้าไม่กินไม่ถ่ายก็เป็นทุกข์ถ้าไม่หลับไม่นอนก็เป็นทุกข์แล้วจดพดหัวแมงก็เป็นทุกข์มากอยู่แล้วยังเอาอะไรมาบังคับให้เป็นทุกข์ไปอีกมิกิเลตันหาบังคับมันทิ้งปุงแต่งขึ้นมาเองไม่จําเป็นกินข้าวจําเป็นหลับนอนก็จําเป็นกิเลตันหาเทความโกรธโลภหลงเนี่ยไม่ได้จําเป็นเลยแต่เป็นรับใช่เหมือนทําไม่ เอามันต็มใหญ่ถ้าควรโกรธก็ไม่ยอมมันเอาคิดของเราไปอย่างนั่นเลยบางทีไม่แต่ความคิดเฉยก็เป็นทุกข์ผมทุกข์เกิดจากความคิดเกือบแปดิบเปอร์เซ็นนะเชื่อนี่มันจะมีค่าอะไรคิดเราไม่ชมว่าเป็นมนุษย์มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐได้เป็นพุทธะได้เป็นพุทธะได มนุษย์เนี่ยยกเหมือนขึ้นรู้ัสตัวนี่แหละหนอโปรที่ผกได้ให้รูปอย่างนี้ให้รูปอย่างนี้เราจะไปอะไรเป็นชีวิตเกิดท้แน่นอนรูกทอมน้ำทอมเกิดกันแล้วตั้งอยู่ระพายเกิดกันเล้วเจ็บเจ็บตายไเกิดกันแล่ามีเล่าหายปมันมาเที่ยงมันเป็นทุกข์นของทนโดยยากมใ่ใช่ตัวใช่ตน แล้วก็ของสอนเราก็ได้เชนอยู่ไอ้นครยึดว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราเราจะไปอยู่ที่ไหนไปหาอะไรเท่ไหน่ในตัวเรานี้มีไหมมีหลงไหมถ้ามีหลงหลังงานเขาเรามาให้มันลูช่ช้ามีทุกไหมถ้ามีทุกหลังงานเขาเรามาให้มันลูช่ช้า ให้มีความรู้ษารู้จั ก, กตัวซากลับมาหากรรมฐานซาแต่มันคิดไปถึงบ้านถึงลูกถึงเมียก็ห่วงอะไรก็กลับมารบบู้ษาเศรษฐาเฉลิมาศรีเฉลิมฉาสนุสสสนนกเปลี่ยนร้ายเ ป, น, เปนดีมันก็มีงานให้เปลี่ยนหนําบาดีคนไม่ลูกก็คิดถึงลูกคนม่เมียก็คิดถึงเมียคนมีความโ ก, กรก็คิดถึงหัวโกรก็มีความรักก็คิดถึงความรัก นันงงานขงเขาหลังแล้กลับมารู้สึกตัวใช่ไหมใช่มาผิดแล้วเปิดเพื่อนมามากแล้วแต่รถมือสองสุกช่อมมาแล้วมีรอยอยู่แล้วอลรอยลอกรอยเช่นรอยสุกรอยสุกรอยดีใจรอยเสียใจจะปล่อยที่อย่างไงมีประโยชน์อะไรเอามีสฉทีนะมีสฉทีไม่ คือจิตที่ในทางเป็นธรรมตัดสินงใจตัวในความเป็นธรรมตัดสินใจเป็นไหมเวลามันโกรธตัดสินใจไม่โกรธได้ไหมขณะที่มันโกรธมีสิตที่ไหมเคยใช่สิตที่ของตัวเองไหมอะไรที่มันดีละ่ะมันโกรธขึ้นมาก็ไม่รู้จักเปลี่ยนมันให้เป็นไม่โกรธอะไรเป็นเฉลยเฉัยประเจิยมันรูเ้เปลี่ยนร่ยเป็นดีได้เลย จะโกรธไปถึงไหนจะหลงไปถึงไหนจะทุกข์ไปถึงไหนนี่ประโยชน์อะไรรวมรู้จากตัวน่ะเป็นชีวิตที่ปกติตบ้านบ้านชีวิตคือปกติถ้าหลงเป็นรู้นี่ยได้ชีวิตขึ้นมาน้อยๆทุกข์เป็นรู้ได้ชีวิตขึ้นม า, นนนมาสุขเป็นรู้ทุกข์เป็นรู้ได้ชีวิตขึ้นมาตรงนี้ อหลงเลยต็หลงโกรธมีโลภมีทุกข์ไม่ไม่เปลี่ยนเป็นรูปชีวิตก็หมดไปไม่ได้ชีวิตชีวิตมันได้ตรงไหนชีวิตเหนือการเกิดเ จ, จ็บตามันเกิดตรงนี้ว่าใช่เกิดมาเดินยืนนั่งนอนได้อันนี้ไม่ใช่ชีวิตชีวิตแบบไม่ชีวิตไปสู่ความตายไปสู่ความตายชีวิตแบบนี้่ เวลาผ่านไปผ่านไปมันก็ไม่ผ่านแต่เวลาเราชีวิตเราไปด้วยเหมือนกับตระกูลฆาตจงโคเข้าสู่ตะแลงแจงเพื่อประหารโครยิง่งก้าวไปแต่ละก้าใกล้ความตายเข้าไปทุกทมีมันไปสู่ความตายใกล้เข้าไปเข้าไปมันเชื่อเรามีอายุเราหมดไป เร่องนี้ชีวิตจริงๆมันได้จากสิ่งที่ผิดมาเปลี่ยนสิ่งที่ถูกคือความรู้จักตัวนะอ้าตรงที่มีชีวิตไม่เอามันก็หมดไปเลื่อนหลงไม่รู้ชีวิตไม่มีแล้วทุกไม่รู้ชีวิตไม่ได้แล้วโกรธไม่รู้คิดไม่ได้แล้วชีวิตเ ร, ต, ร ต, ต่อตรงนี้ต่อยอดตรงนี้ยอดใหม่ตรงนี้ หลงในยอดเทีรู้ทุกตยอดเธอ่รู้สุขโดยรอดเธอ่รู้อะไรที่มันแ ก, ก, ก่กายเกิดได้มาเป็นยอดที่ยรู้นี่คือชีวิตมันกาะเกิดตรงนี้ชีวิตที่ไม่เจอไม่เก็บไมาตายมันกาเกิดตรงนี้ไม่มีใครที่สร้างได้ไม่แต่ตัวเราเองให้คนอื่นให้ไม่ได้ตัวใครตัวมันถ้าท่านหลงเหงาท่านก็เปลี่ยนหลงเป็นรู้ ถ้าท่านโกรธเองท่านก็ต้องเปลี่ยนโกรธเป็นรู้ถ้าไม่เปลี่ยนท่านก็ไม่ได้อะไรเลยชีวิตนี้มารับใท้มารับเป็นภาระความทุกข์ยอมรับไหวจะทุกข์เศร้าโศกเสียใจร้องห่มร้องไห้หัวรอนร้องไห้เดี๋ยวเช่นนั่นเลย มีธรรมะมีพุท ธ, ธะมีศาสนาศาสนาสิ่งคำสอนมีพระเจ้ามีคำสอนมีพระธรรมคำสอนปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่จํากัดการผู้ปฏิบัติจ่อมรู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมที่ควรรู้ควรเห็นธรรมทุกคนจะผู้ปฏิบัติไปจึงที่ควรโน้มมาใส่เราอย่ามันาา่นไกลไกลโน้มมา เป็นสิงที่ควรกล่าวคนอื่นชวนมาดูเป็นปัจจตังของผู้ปฏิบัตินี่คือพระธรรมความเพีงเป็นอยางนี้ผู้ปฏิบัติตามทำเป็นพระสงฆ์พระอาญาบุคคลชั้นใดชั้นหนึ่งขึ้นมาตั้งแต่พระโสดาบันทระสิกขาคามีพระนาคามีพระรหลานต า, ามทำตามบุญของทำ เราจะอยู่ในชั้นไหนสิทธิของเราแล้วสิทธิของเราที่จะมาได้ลูปเป็นน้ามามันมามันยากเหลือเกินที่มาเกิดเป็นรูปเป็นน้ำเนี่ยมีคนเจ้าข้องมีอนคนพออค่อคนแ ม, ม, น ม, นนม่ถ้ามันพุ่มค่าคือท่านจะเกิดมาแต่พ่อแม่อาจะทำไม่ได้แต่ลูกของแม่ของพ่อเน่ยจะต้องทำไม่ได้เลยเนะ ได้มีมาแล้วแต่เป็นมาแล้วชีวของเราเนี่ยได้เปลยนมาแล้วไม่ทำม่วิธีปฏิบัติถึงจุไห ม, มาหปลายทาได้เราจึงไม่ควรสละสิทธิ์ของเราเอาอกาศมาชุกมาลงสันหามเด็นไม่เป็นเพื่อนกัน ที่นี่ขอให้เป็นสนามฝึกเรื่องนี้ไมาใช่เรื่องอื่นเราฝึกสำเร็จล้วก็คุ้มค่าชีวิตเกิดตาไม่เสียชาติด่าจะไม่พาหลงททดหลงทางเน่อนอนถ้าไม่จติให้ทำตามอย่างนี้ ถ้ามันหลงให้รู้จักตัวอะไรที่มเกิดกับกายกับใจให้มารููจักตัวไปก่อนอย่าหาคำตอบจากความคิดหาเหตนนะุผลผมรู้จักตัวใช่ดูซิมันหลงก็รู้นี่คือรู้จักตัวมันทุกข์ก็รู้มันสุกก็รู้มันจจงง ก, ก็รู้มันพุ่งสร้างก็รู้มันง่วงเหงาหอนอนก็รู้ อาอะไรที่มันเกิดกับการใจให้มีแต่ความลู่เข้าไปความลู่เข้าไปอย่างนี้มันจะเป็นทางไปทางมาอยู่ตรงที่มันลุกนั่นแหะต่อมาอกครั้งแม่ธรรมยังมีลกุกมันก็ไม่มีทางเอาเหยียบไปหลงลู่อะไรที่มันเกิดขึ้นมาในกายในใจลู่จิตัวลู่สวจะเป็นทางไปลู่น้อยข้างพันหนุนจะเป็นทางสะอาดมากขึ้นโล่งมากขึ้น ถ้าหลงเป็นหลงทุกข์เป็นทุกข์โกรธเป็นโกรธดีใจใช้ใจเป็นดีใจใช้ใจมันจะโลกอยู่นนั้นไม่เป็นทางสติมืดไม่มีทางไม่พบทางก็จะขยันโลก่ก็ได้ทางมากสาดมากโล่งแจ้งมากสะดวกมากอาจใหม่ๆอาจจะไม่สะดวกนะต้อง ล, ลงไปจะมาก เ้าเาที่ยงกันกลดความหลงเกิดมามากาามายก็ให้ลูกผมรู้สึกตัวไม่เหงื่อไม่หลายไม่ลำบากทำได้ทุกคนเนาะผู้หญิงก็ทำได้แม่คีคนเช่าคนเจกก็ทำได้พระผมก็ทำได้สมควรจรดญเวลาชาวพักพของเัา